เรื่องราวต่อไปนี้ที่จะนำมาเล่าให้ได้ฟังกันนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเปรตพระบนถ้ำภูพานค่ะได้มาสารภาพกับหลวงปู่จันทาสิ้นไส้บวชพระตั้งร้อยพรรษาทำไมถึงพลาดพลั้งมาเป็นเปรตได้นะคะ เรื่องราวเหล่านี้นะคะถูกบันทึกไว้นะคะโดยสิทธญานุสิทธิ์ของหลวงปู่จันทาถาวโรเมื่อท่านไปวิเวกกับพระอาจารย์บุญพินกระตาบุญโยค่ะแล้วก็พระจ่อย ไปอยู่ที่ถ้าจำปาอําเภอบ้านผือจัังหวดอุดรธานีนะคะที่ถ้าจำปาบนภูพานโยมก็พาไปพานักนะคะหรือว่าไปจําวัดอยู่ที่หน้าถ้าซึ่งพอค่าลงค่ะก็ได้ทําความพรีอาความเพียรเดินจงกรมจนถึงสามทุ่มนะคะจากนั้นหลวงพ่อท่านก็ได้ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็อุทิศส่ว น, วนกุศลเสร็จก็เข้าที่นั่งภาวนา พอจิตของหลวงพ่อท่านสงบแล้วนะคะก็เกิดแสงสว่างจ้าไม่นานก็เห็นเท พ, พระบุตมาคุยเมื่อเทพปบุตลา ก, กลับไปจากนั้นไม่นานค่ะก็มีเปรตพระถึงสตนเข้ามาหาเป็นคนโบราณรูปร่างสูงใหญ่มีคราวยาวถึงหน้าอกค่ะเข้ามานั่งใกล้ๆลูบขาข้างซ้ายแล้วก็พูดกับท่านนะคะว่าท่านท่านผมกับท่านใครจะแก่พรรษากว่ากันอันนี้เปรตพระพูดนะคะ หลวงพ่อก็ถามอาหลวงพ่อก็เลยตอบไปบอกว่าหลวงพ่อนั่นแหละแก่กว่าหลวงปู่จันทาตอบเปรตพระก็เลยบอกว่าก็คงจะจริงอย่างที่ท่านว่านั่นแหละพันษาของผมนั้นแกกว่าท่านแต่ว่าคุณธรรมของท่านนั้นแก่กว่าผมเปรตพระบอกนะคะแล้วทีนี้เนี่ยหลวงปู่ก็เลยถามกลับไปว่าแก่กว่าเพราะเหตุใดเปรตพระก็ได้ตอบไปแก่กว่าเพราะท่านเจริญธรรม เดินจงกรมยืนภาวนานั่งสมาธิอดนอนผ่อนอาหารนี่มันแก่อย่างนี้เพราะการเจริญธรรมถูกต้องเปรตพระกล่าวจากนั้นหลวงปู่ก็เลยถามเปรตพระต่อไปอีกนะคะว่าพวกท่านเป็นพระบวชเข้ามาในาศาสนาพุทธอันบริสุทธิ์แล้วสมควรที่จะเจริญสมณธรรมอย่างต่ำก็ไปสวรรค์6ชั้นอย่างกลางก็ไปพรหมโลกอย่างสูง ก็ไปอัรูปประภมสี่ชั้นและอย่างถึงที่สุดก็วิมุตติหลุดพ้นไปพระนิพพานข้ามโลกสงสารไปได้เพราะมีกิจอันเดียวแต่เหตุใดท่านจึงมาเป็นเปรตค้างอยู่ที่นี่หลวงปู่ได้ตั้งคำถามค่ะเปรตพระก็เลยตอบไปว่าท่านเอ้ยพวกข้าพระเจ้าเกิดมาพบปะศาสนานในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐา ซึ่งพระเจ้าชัยเสษฐานเนี่ยเป็นเจ้าเมืองเวียงจันทร์เรื่องอำนาจแล้วก็สร้างวัดต่างๆมากมายค่ะเมื่อบวชมาแล้วอุปชาอาจารย์ก็ไม่แนะนำพร่ำสอนให้เดินจงกรมยืนภาวนานั่งสมาธิอดนอนผ่อนอาหารพิจารณาธาตุขันเหมือนอย่างพวกท่านในขณะนี้เปรตพระได้กล่าวบวชเป็นพระตั้งร้อยกว่าพรรษาก็ไม่ได้ภาวนาอะไร อยู่สนุกสนานชั้นเช้าฉันเพลงแล้วก็ทํากิจการต่างๆทําไร่ทําสวนเลี้ยงมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเหมือนอย่างคารวาตญาติโยมเขาบวชมาแล้วก็ล่วงเกินสิกขาบทวินัยไตรสิกขาน้อยใหญ่เสียสิน้นศีนวัดศีล227รอข้อก็ล่วงเกินจะเหลือก็แต่ปาราชิกสถึงเหลือก็เศร้าหมองอุปชาอาจารย์บอกว่าพระเราเป็นนาคนะฤดูนี้เราเป็นนาคเล่นน้ําได้ไม่เป็นบาปเป็นกรรม นั่นแหละมันก็สนุกสนานใหญ่เลยเล่นน้ําปล้ำผู้สาวจับอกจับก้นจับของลับกันสนันหวั่นไหวแต่อาจารย์ก็ไม่ให้เสพถึงอย่างนั้นมันก็เกิดความกําหนัดยินดีในกามนั่นแหละการกระทําที่ทําอย่างนั้นเป็นนิดทําทุกวันทุกวันเสร็จแล้วก็มีการขอขมาลาโทษกันทําพิธีสู่ขวัญบ้างเล่าขวัญบ้างอันนี้ก็ต้องอาบัตทุกกฎ ความไม่ดีทั้งหลายที่พวกข้าพระเจ้าทําขึ้นจึงได้ส่งผลให้มาเกิดเป็นเปรตตกค้างอยู่ที่นี่พ่อถามว่าเมื่อไหร่จะพ้นกรรมเขาก็บอกว่าไม่รู้ถามว่าทําอย่างไรจึงจะพ้นกรรมได้เขาก็ไม่ทราบจึงได้กําหนดจิตถามพระธรรมว่าเปรตสามตนนี้เคยเป็นญาติของเราบ้างไหมเมื่อหลวงปู่ได้กําหนดจิตถามก็เลยเปล่งอุทานออกมาว่าโอ้เป็นมาหลายพบหลายชาติแล้ว แต่มาพบชาตินี้เขาทำกรรมไม่ดีจึงมาเกิดเป็นเปรตนั่นแหละจงช่วยเหลือเขาเสียถ้าเราไม่ช่วยแล้วก็ไม่มีใครช่วยเขาหรอกจากนั้นหลวงปู่ก็ได้พูดกับเปรตเหล่านั้นว่าพระพุทธรูปที่อยู่ในถ้านั้นอย่าเพิ่งหึงหวงห่วงอะไรนะเมื่อมีพระเนนหรือญาติโยมมาก็ให้เขาไปเถิดเราจะได้พ้นจากบาปกรรมได้ อ้าเตรียมรับพระสารณคมศีน5าจะช่วยให้พ้นจากสภาพเปรตไปเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกและเมื่อข้าพเจ้าเดินจงกรมเสร็จแล้วก็มารับส่วนบุญนะเราก็จเจริญสมณะธรรมอยู่ที่นี่ ที่นี้พอล่วงมาถึงเดือน6ก็ได้บอกพวกเปรตทั้งหลายว่าปีนี้หลวงพ่อจะกลับไปจำพรรษากับหลวงปู่บัวสิริปุนโนในขณะนั้นนะคะที่วัดป่าบ้านหนองแซงอำเภอบ้านบัวอาอํำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีค่ะแล้วก็ปีหน้าท้าบุญพาวาสนาสงก็จะกลับมาโปรดอีกนะ แต่แล้วก็อย่าได้ประมาทขอให้พากันเดินจงกรมบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาบุญยืนภาวนาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาบุญไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฝึกจิตอบรมจิตแล้วก็สอนจิตแล้วก็ต้องรู้จักทรมานจิต ให้มันเป็นไปในทมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้จิตอยู่กับนักปราดคือพุทโธธรรมโมแล้วก็สังโคนั่นแหละจะเป็นจิตเกษมสำราญพ้นจากการกำเนิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกโดยเร็วพลันช่วยตัวเองนะอัตตหิอัตาโนนาโทถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนพึ่งคนอื่นชื่นใจเป็นบางครั้ง ไม่เหมือนดั่งพึ่งตนผลทวีตนจะเป็นคนดีหนีทุกโทษภัยในวัฏฏะสงสารมีพระนิพพานที่เป็นไปเบื้องหน้าก็เพราะตนทำดีสะสมบุญดีให้เกิดขึ้นเพราะตนพึ่งตนอันนี้ข้อสำคัญมั่นหมายต่อแต่นี้ไปก็ไปจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่บัวสิริบุญโนอยู่ที่วัดป่าหนองแซงบ้านหนองแซงอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานี พอออกพรรษาแล้วหลวงปู่ก็กลับมาที่เก่าอีกไปแล้วหลวงปู่ก็บอกว่ารู้สึกเบาๆพวกเปรตทั้งหลายนั้นหายไปหมดแล้วซึ่งเมื่อหลวงปู่ได้ภาวนาจิตแล้วก็ทําให้จิตสงบก็มีพวกเทวดาทั้งหลายมาขอรับพระไตรยสรารณคมแล้วก็ศีลห้าเสร็จแล้วหลวงปู่ท่านก็เทศให้เหล่าเทวดาฟังแล้วหลวงปู่ก็เลยได้ถามไปว่าพวกเปรตพระสามตนกับแม่ชีทั้งหลายเนี่ยหายไปไหนกันหมด เทวดาเขาก็ตอบไปนะคะว่าท่านมาโปรโดเขาเมื่อปีกลายโน้นเขาก็ได้เจริญสมณธรรมตามอย่างที่ท่านสอนแล้วก็รักษาศีลอย่างบริสุทธิ์จึงได้ไปเกิดที่เมืองมนุษย์กันหมดทุกคนแล้วล่ะครับท่าน นั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวของการไปวิเวกตามสถานที่ต่างๆก็ได้สงเคราะห์ฝูงเปรตทั้งหลายแล้วก็ผีสางคางแดงทุกอย่างนี่แหละการไปเจริญสมนะธรรมในที่ต่างๆนั้นก็ได้ธรรมะเกิดขึ้นมาสอนใจค่ะเขาเป็นอย่างไรตกทุกข์ได้ยากเป็นเปรตเป็นผีท้างโลกโลกีอย่างนั้นก็เพราะทํำบาปหยาบช้าลามกลืมตนคบคนผานผ่านไปหาผิดนะคะคบบัณฑิตบัณฑิตก็พาไปหาผล คบคนชั่วพาตัวยากจนคบใครก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ก็น้อมนำมาเป็นธรรมะสอนตัวเองอยู่เสมอซึ่งถ้าเราเป็นผู้ประมาทแล้วต่อไปก็จะไม่แคล้วคลาดจากสมบัติแน่นอนค่ะอย่างที่เขาได้นั่นแหละนะคะข้อสำคัญมั่นหมายฝากไว้ให้กับทุกๆคนได้รับทราบด้วยนะคะอันนี้ก็นามาจาก